ผานามสยามยกภาคที่่อว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระบุญนิกายเป็นมหายุหโยธาทัพใหญ่ไปกระทั่ศึกสงครามกับนักโปงจันพระเจ้ากรุงกรมภูชาทิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักโกงจันหนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเห็นศึกสงครามกันมาชานาประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความทิศสดานวิตรรานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามหยุดภาคที่สองตอนที่8ความเข้าใจผิดของกองทัพไทย เจ้าพระยาพระถังได้ทราบหนังสือพระยาบนิณเดชาดังนั้นแล้วจึงรีบร้อนไม่นอนใจสั่งให้พระพิพิธพักดีจางวางสวยพริกไทยเมืองจันทบุรีกับหลวงมหาไทยเมืองตราดขุมเรือลำเลียงสเสบียงอาหารสามสิบลำมาส่งให้เจ้าพระยาบนิณเดชาที่เมืองโจดกแต่ณวันเดือนสี่ขึ้นสิบสองค่ำพวกหนึ่งถึงเดือนสี่ขึ้นสิบสี่ค่ำพวกหนึ่ง เป็นเรือสามสิบลำได้ข้าวปลาอาหารพอจับจ่ายใช้ในกองทัพ บ, บกบ้างเมื่อคราวขัดฝ่ายเจ้าพระยาพระคลังได้ทราบหนังสือเจ้าพระยาบดินเดชาว่าด้วยเรื่องให้ฆ่าหลวงยกระบัดนั้นท่านจึงพูดว่าครั้นจะฆ่าก็กลัวบาปเกรงกรรมจะตามไปชาติหน้าครั้นจะไม่ฆ่าก็กลัวเขาจะว่ารักย่าพวก้องกับจะเสียขนบธรรมเนียม เป็นเยี่ยงอย่างในทางราชการทัพสึกต่อไปไม่รู้ที่จะทำอย่างไรได้คิดแล้วจึงสั่งหลวงชาติสุประโยช์กับหลวงสุนทรโกษาให้คุมตัวพระปรลัดเมืองกราดกับหลวงยศกระบาดเมืองจันทบุรีจําตรวนลงเรือเร็วไปส่งให้เจ้าพระยาบรินเดชาที่เมืองโจดกแล้วมีหนังสือไปด้วยฉบับหนึ่งใจความว่ากระผมได้จําตัวพระปลัดหลวงย ก, กระบาด ส่งมาให้เจ้าคุณผู้ใหญ่ตามแต่เจ้าคุณผู้ใหญ่จะทำโทษตามบทกฎหมายเถิดเมื่อเจ้าพระยาบดินดิชาได้ทราบความตามหนังสือเจ้าพระยาพระคลังดัง น, นั้นแล้วจึงว่าเมื่อท่านเจ้าพระยาพระคลังกลัวบาปเกรงกรรมไม่ฆ่าผู้ฟันคนสงคนผิดมาให้เราฆ่าที่เมืองโจโ ด, ดนุนี้เราก็จะต้องฆ่าตามอาญาศึกทั้งสิ้น ไม่เว้นไว้หน้าว่าผู้ใดเลยผิดตามผิดชอบตามชอบพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งหลวงอนุชิตพิทักษ์ให้นําตัวหลวงยกกระบะเมืองจันทบุรีผู้มีความผิดต่อราชการไปฆ่าเสียเดี๋ยวนี้ตัดศีรษะเสียบไว้หน้าเมืองโจโดกอย่าให้ขุนนางนายทัพนายกองจำเยี่ยงอย่างนี้ต่อไปแล้วสั่งให้หลวงจํานงอักษรพาตัวพระประลัดเมืองตราดไปเคียนหลังหกสิบที ที่หน้าค่ายในเมืองโจรกแล้วให้ลดฐานานุสักลงเป็นหลวงยกกระบาดเมืองจันทบุรีให้ไปอยู่กับพระยาจันทบุรีผู้บิดาจะได้ทําราชการแก้ตัวต่อไปจะได้เลื่อนที่ตามความชอบเมื่อภายหลังแล้วทรงตัวพระปลัดเมืองตราดที่ลดลงเป็นหลวงยกกระบาดเมืองจันทบุรีนั้นให้หลวงชาติสุริยงและหลวงสุนทรโกษาคุมไปให้เจ้าพระยาพระขังใช้ราชการในทัพเรืออย่างเดิม และมีหนังสือตอบไปถึงเจ้าพระยาพระคลังฉบับหนึ่งใจความว่าให้เจ้าคุณพระคลังตั้งมือริ้ิที่สงครามนายด่านเมืองกราดให้หมอบถาดมาคนโทน้ำทองให้แก่เขาเป็นเครื่องยศแล้วให้มีใบบอกไปในกรุงเทพด้วยแต่พระประหลัดเมืองกราดคนเก่าที่มีความผิดเที่ยนหลังหกสิบทีนั้นให้ลดฐานานุศักลงคงเป็นหลวงยกกระบัดเมืองจันทบุรี แผนที่หลวงยกกระบะชื่อแก้วที่มีความผิดค่าเสียหนังแล้วให้เจ้าคุณพระทังสั่งกรมช้างให้นำช้างพลายแทงพระคะเชนทอนพิทักษ์ขมินกับพักพวกขมรชายชะกันที่เป็นโจรยกมาตีพาช้างและเรือสเสบียงไปให้นำช้างแทงเสียให้ตายทั้งสิน้นอย่าให้เหลือไว้ไม่เป็นประโยชน์ให้เหลือพวกขมินไวแต่ผู้หญิงและเด็กหรือชายที่แก่ชรา ไม่ได้ลงมือฆ่าไทยเท่านั้นนอกนั้นให้ฆ่าเสียให้หมดหลวงชาติสุริยงกับหลวงสุนทรโกษาขุมตัวพระประหลัดคนเก่าลงเรือกลับไปเมืองบรรทยมากถังเครื่องจำพอเรือถึงกลางทางในลําคลองใหญ่พระประลัดคนเก่าบอกผู้คุมว่าจะขอส่งทุกที่กราบเรือผู้คุมเรือก็ยอมให้พระประลัดคนเก่า ออกจากประทุนเรือไปข้างท้ายเรือพระที่นั่งทรงทุกข์อยู่ครู่หนึ่งพระปลัดก็โดดลงไปในน้ำทั้งเครื่องจองจำก็จมน้ำตายในที่นั่นหลวงสุนทรโกรษาให้คนลงดำได้ศพขึ้นมาแล้วจึงปรึกษากับหลวงชาติสุริยงว่าจะพาศพไปให้ท่านผู้ใหญ่ดูก็เห็นว่าเมืองบันทายมากทางยังอีกหลายคืนศพจะเน่าเปื่อยเสียหมด จะไม่ให้เห็นหน้าตาจำไม่ได้จะทำฉันใดดีหลวงชาติตรยงตอบว่าถ้าเช่นนั้นเราตัดศีรษะแช่น้ำเกลือไปให้เจ้าคุณทราบเป็นพยานว่าไม่ได้ให้หนีไปเป็นการตายจริงๆหลวงสุนทรโกษาว่าอย่างนั้นไม่ได้พระประหลัดคนเก่านี้เป็นบุตรพระยาจันทบุรี และเป็นเชื้อสายญาติของเจ้าพระยาพระขังด้วยท่านจะว่าเราทำประจานพวกของของท่านโทษอะไรมาตัดหัวตัดหูกันถึงตายแล้วก็จริงดูเหมือนทำโทษแก่ศพพวกของท่านหาควรไห่เราจะได้ผิดมากไปหลวงชาติสุริยงตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็นำศพไปฝังเสียที่บนตลิมเถิด เมื่อท่านว่าเราปล่อยคนโทษให้หนีไปก็ให้ท่านใช้คนมาขุดดูศพเถิดเรานำเครื่องแต่งกายของพระประหลัดคนเก่าฝังลงไปไว้ด้วยเผื่อว่าจะมาขุดศพจะได้เห็นเป็นพยานคิดแล้วก็ทาตามที่คิดนั้นทุกประการด้วยจึงออกเรือไปแจ้งข้อรัชการแก่เจ้าพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลังจึงสั่งราชมันให้พาตัวพระคเชนทรพิทักษ์ขมิล กับพวกชายชะกันสามสิบหกคนนำช้างพลายแทงตายทั้งสิน้นที่นอกเมืองบันทายมากณนะวันเดือนสี่แรมค่ำหนึ่งแล้วเจ้าพระยาพระทังตั้งหมื่นสิทธิสงครามเป็นพระปลัดเมืองตราดตั้งพันจงใจหานลาวเก่ามีความชอบในการศึกเป็นหลวงปราบไพรินตั้งหมื่นอินทราวุธกับหมื่นนเรินทรโยธาเลื่อนที่ขึ้นเป็นหลวงทั้งสองคนแล้วเจ้าพระยาพระทังสั่งให้ พระปรลัดเมืองตราดคนใหม่ให้คุมไพรพลไปรับเรือรบที่พระยาตราดไปตั้งซ่อมแซมอยู่ณนะเมืองกำปอดและเมืองกำพงโสมเจ็ดสิบลำพร้อมด้วยเชือกเสาเผาใบจังกูดแกวให้คุมเรือรบมาส่งเมืองบันทายมาศเจ้าพระยาพระคลังสั่งพระสิริสมบัติให้จัดสเสบียงอาหารกระสุนดินดำศาสตราวุธปืนใหญ่น้อยลงบรรทุกเรือรบเก่าที่นำมาแต่เมืองจันทบุรีและกรุงเทพนั้น ร้อสองลำเรือรบเก่าใหม่ร้อยเจ็ดสิบสองลำให้พระยาพิพิธโกษากับพระยาสุนธานุรักษ์เขตพระยาราชวังสันสามคนเป็นผู้แต่งเรือรบเก่าใหม่ทั้งหนึ่ง้อยเจ็ดสิบสองลำบรรจุพลทหารแจวและทหารปืนพร้อมแล้วให้พระยาเดโชถ้ายน้ำเป็นนายทัพหน้าที่หนึ่งให้พระยาราชวังสรค์เป็นนายทัพหน้าที่สองกองซ้าย ให้พระยานรงฤทธ์โกษาแขกจำเป็นนายทัพหน้าที่สองกองขวาให้พระยาวิเศษสงครามพักดีฝรั่งเศสเข้ารีดเป็นแม่ทัพกองหนุนทัพหน้าทั้งสามให้พระยาอภัยโนริสเป็นนายทัพกองเกือกายซ้ายให้พระยานุชิตราชาเป็นนายทัพกองเกือกายขวาให้พระยาสุรเสนาเป็นนายทัพกองรเรทัพให้พระยาพิทักษ์ถวยหานขุมกองรามันเป็นทัพแซงขวา ให้พระยานครเขียนขันขุมกองรามันเป็นทัพแสงซ้ายให้พระยานิพกษาเป็นทัพหนุนให้พระยาจันทบุรีเป็นแม่ทัพหลังให้เจ้าพระยานทนเทพถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่กองหน้าได้บังคับบัญชาทุกทัพทุกกองทั้งฝ่ายหน้าทั้งสิ้นแล้วพระยาวิสูตรโกษาเป็นทัพแสงซ้ายของกองทัพเจ้าพระยาพระขังให้พระยาตราด เป็นทับแซงขวาของเจ้าพระยาพระคังให้พระยาพิบูลสมบัติเป็นปี้ายทับใหญ่ให้พระยาเพชรบุรีเป็นปีขวาทับใหญ่ให้พระยาราชบุรีเป็นนายทัพปีกาขวาให้พระยาสมุทรสงครามเป็นนายทัพปีกาซ้ายให้พระสิริสมบัติเป็นนายทัพตรวจทับฝ่ายซ้ายให้พระราชธนพิทักษ์เป็นนายทัพตรวจทับฝ่ายขวาให้พระยาศาสตราฤธิลง เป็นกองป้องปีกขวาให้พระยาอารามมนเทียนเป็นกองป้องปีกซ้ายให้พระยาไกลโกษาเป็นทับหลังของเจ้าพระยาพระคังที่ออกชื่อมานี้แต่หลวนมีหน้าที่โดยตําแหน่งคุมเรือรบมีชื่อทุกกลำทุกคนอย่างพระยาพระหลวงในกรุงและหัวเมืองที่เป็นลูกกองคุมเรือรบมีชื่อต่างๆไปในกองทับหน้าและกองทัพหลังและกองทัพใหญ่เจ้าพระยาพระขังก็มีมาก ครั้งนั้นของทัพเรือพระปราบอังวะสมิงรามันนายทัพฝ่ายในพระราชวังบวรยกทัพมาแต่เมืองจันท บ, บรุรีเพิ่มเติมมาอีกถึงเมื่อวันจะยกทัพไปนั้นจึงสั่งให้เป็นทัพหน้าของทัพใหญ่เจ้าพระยาพระทังทัพเรือพร้อมกันแล้วก็ยกทัพเรือออกจากเมืองมันไทยมาศมาตามแม่น้ำใหญ่ถึงที่ตาบลหนึ่งทมิฬ เ, เรียกว่ากําพงขขีแปลเป็นภาษาไทยว่า ท่าตะเคียนเมื่อเรือเจ้าพระยาพระทังถึงที่ท่าตะเคียนนั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดมาแต่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลมพัดมาถูกผ้าม่านบางังแดดในเก๋งท้ายเรือรล้มที่เจ้าพระยาพระทังนั่งมานั้นผ้าม่านปลิวสะบัดไปครองถูกดาบอาญาสิทธิ์ฝักนาคด้ามหุ้มทองคําพัดตกลงจากบันไดแก้ว แล้วกระเด็นลงน้าจมหายสูญที่หน้าท่าตะเคียนนั้นน้ำลึกสามวาบ้างสีว่วาบ้างให้ประดาน้ำลงดำเป็นหลายพวกก็หาได้ไม่จึงสั่งให้หยุดทับเรือที่ตรงท่าตะเคียนครู่หนึ่งให้หลีพลในกองทับเรือลงดำน้ำหาดาบอาญาสิทิถ้าใครดำได้จะให้รางวัลถึงสิบช่างก็ไม่มีผู้ใดดำได้ดาลงไปหลายสิบหลายร้อยคนก็ไม่ได้จึงสั่งให้หลวงสุนทรโกษา อยู่ดูพวกประดาน้ำดำดาบต่อไปครั้นลมพายุซาลงแล้วจึงสั่งให้เดินทับเรือต่อไปเป็นลำดับลัดเข้าคลองขุดใหม่ไปถึงเมืองโจโดดเมื่อณนะเดือนห้าขึ้นสิบสองค่ำขณะนั้นมีน้ำเหนือไหลหลากมาท่วมหาดทรายแล้วเจ้าพระยาพระถังขึ้นไปบนเมืองโจโดดทําคำนับเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาจึงพูดว่า เจ้าคุณพระคลังยกทัพมาล่าช้าไปสักหน่อยถ้ามาถึงในข้างขึ้นอ่อนๆสามขั้มสองขั้มก็จะดีจะได้ไปโดยสะดวกแต่เดียวนี้น้ำเหนือหลากมามากแล้วไหลเชี่ยวนักแกวไปจะช้าอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเหรือใหญ่ไปได้สบายเพราะน้ำลึกมากแล้วเจ้าพระยาพระคลังตอบว่า อยากจะรีบมาแต่ข้างแรมแก่เดือนสี่หรือข้างขึ้นอ่อนๆเดือนห้านั้นตามคาสั่งบัญชาใต้เท้ากรุณาแต่ว่ามาไม่ทันตามบัญชานั้นเพราะเรือรบที่ชารดและเรือเก่าที่เมืองกังฟอร์นั้นซ่อมแซมไม่ใครจะเสร็จได้จึงช้าไปพอเรือแล้วก็รีบมาไม่ได้ช้าเลยน้ามันที่มาทาเรือยังเปียกๆอยู่ทุกลำใต้เท้าจงดูเถอ เจ้าพระยาบดินเดชาเชีงว่ากับเจ้าพระยาพระคลังว่าเจ้าคุณรีบยกกองทัพเรือไปเถิดผมจะยกทัพ บ, บกตามไปต่อภายหลังคงทันเจ้าคุณที่เกาะแตงเพื่อจะได้รบยวนที่นั่งครั้งนี้น้ำมากเรือรบใหญ่ไปได้สะดวกแล้วแต่เจ้าคุณอย่าไว้ใจแก่ราชการเกืกวก่ายวนจะนำเรือเล็กๆแกวมาซุ่มซ่อนไล่เรือรบไทยที่ใหญ่ๆเหมือนครั้งก่อนอีกเล่า เจ้าคุณต้องระวังให้มากๆและผมขอให้เจ้าคุณต้องทําอํานาจฆ่าผู้ฟันคนที่แตกล่าถอยออกมาหรือที่ย่นย่อโถอถอยกลัวกระสุนปืนหยวนและเกรงฆ่าศึกหยวนมากกว่าแม่ทัพไทยดังนั้นแล้วเจ้าคุณก็ต้องฆ่าเสียบ้างให้เป็นตัวอย่างนายทัพนายกองเห็นอํานาจเจ้าคุณทําดังนั้นจะได้กลัวเกรงแล้วจะได้เร่งไล่ต้อนพลทําการพร้อมกันให้เต็มมือสักพักสองพัก พวกยวนจะทนได้หรือก็จะแตกไปสิ้นทุกทัพทุกกองเมื่อเจ้าคุณพระคังจะลงไปครั้งนี้ผมจะให้พระพักดีโยธากับหลวงมราณุรักษ์เถรทั้งสองคนนี้ลงไปเป็นคู่คิดกับเจ้าคุณด้วยเพราะคนทั้งสองนี้ชำนิชำนาญด่านทางเมืองหยวนมากรู้จักทานิทํานองกองทัพยวนจะยกมาหนักเบาประการใดเขารู้อยู่มาก เพราะเขาได้เคยเป็นนายทัพนกองเรือมารบกับยวนที่เกาะแตงซึ่งที่เกาะ น, นั้นยวนเรียกว่าเกียนทายเขาเคยได้มารบกับยวนที่นั่นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพิรรักษ์ในแผ่นดินต้นพระพุทธเจ้าหลวงครั้งก่อนนั้นครั้งหนึ่งแล้วหมายเหตุแผ่นดินต้นนั้นคือแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจบหมายเหตุ ถ้าเจ้าคุณพระทังสงสัยในข้อราชการอะไรที่จะไปรบกับยวนครั้งนี้ขอให้เจ้าคุณไต่ถามปรึกษาหาหรือกับพระพักดีโยธาหลวงนานนรักษเขตเถิดเป็นคนแก่ชรามุ่ม ง, ง้ามไม่ประเปรียวว่องไวถ้าจะใช้เข้ารบทุ่งนั้นไม่ได้ได้แต่ให้อยู่ในเรือรบสองเจ้าคุณเจ้าคุณจะได้ถามการงานต่างๆสามทางเมืองยวนได้เท่านั้นอันหนึ่ง ผมขอแบ่งเรือรบที่เก่าๆไม่สู้แน่นหนาแข็งแรงนั้นไว้สักสามสิบสี่สิบลำแต่พอจะได้บรรทุกปืนใหญ่กระสุนดินดำกักคนลงไปตามเจ้าคุณข้างหลังบ้างแล้วผมจะให้พระยาจ่าแสนบดีสีบริบาลกำกับทัพช้างพระยาเพชราชาและทัพช้างพระยาประกิตนุรักษ์ทั้งสองช้างวังหลวงและวังหน้าให้ยกเดินบกลงไปช่วยรักการทัพ บ, บกและป้องกันทัพเรือด้วย แล้วผมได้สั่งให้พระยาเกียรติพระยารามขุมพลทหารกองรา ม, มันสองพันเดินทัพบกยกลงไปเป็นทัพ ก, กระนาบ ด, ด้วยจับได้ชัยให้พระชัยสงครามแขกจามขมรที่เมืองพนมเปนเกณมาเข้าในกองทัพบกนั้นให้ยกทัพขมิห้าร้อยคนเดินไปในป่าให้คอยตีตัดกําลังกองสอดแนวยวนให้แตกไปอย่าให้มาดูทัพไทยได้เลยเป็นอันขาดให้พระยาเพชรชรัต กับพระวิชิตสงครามข้าหลวงฝ่ายพระราชวังบวรเป็นผู้กำกับทัพเขมรไปด้วยได้สั่งว่าถ้าไม่พบกองสอดแนมยวนแล้วก็ให้เลยไปช่วยในกองรามันเป็นทัพหน้าของกองทัพ บ, บกยกเข้าตีข้ายวนณนะที่ตาบลสามแยกปากคลองเสลกให้แต่ไปเสียให้ได้ทัพเรือจะได้เดินลงไปสะดวกผมได้จัดการทัพ บ, บกไว้หลายอย่างหลายประการแล้ว ที่บอกขี้แจงมาให้เจ้าคุณทราบเดี๋ยวนี้นั้นเป็นแต่ออกชื่อพระยานายทัในายกองบางพวกที่สักพันพวกที่ยังไม่ได้ออกชื่อมานี้ยังมีอีกมากหลายร้อยกองขอเจ้าคุณอย่าวิตกฝ่ายทัพบกเลยเจ้าคุณจงเร่งรีบยกทัพเรือลงไปในค่ำวันนี้เถิดเป็นวันดีเลิกดีแล้วเดือนก็หงายสว่างเห็นหนทางไปได้ง่ายเมื่อเจ้าพระยานเดชา กำลังพูดสนทนากับเจ้าพระยาพระครังนั้นจนเวลาบ่ายสองโมงเศษขณะนั้นพอหลวงโยธาสงครามกับหลวงยุทธกำแพงสงครามนายกองอาธมาสวัางหน้าไปลาดตะเวนสืบพับยวนกลับมาแจ้งข้อรัชการว่าได้ลงไปลาดตะเวนถึงที่ตาบลหนึ่งขเขมรนนำทางไปนั้นเรียกชื่อว่าเกาะโครกแพรกมีแบแปลเป็นภาษาไทยว่าเกาะนามเต้า ใกล้คลองสามแยกในคลองวามนาวของราตเวนไปที่ตำบล น, นั้นได้เห็นยวนมาตั้งค่ายใหญ่อยู่ริมฝั่งคลองวามนาวตรงปากคลองสามแยกที่จะลงไปทางเมืองเสด็จค่ายยวนตั้งครั้งนี้ที่ริมฝั่งคลองวามนาวฝากตะวันออกค่ายหนึ่งฝากตะวันตกค่ายหนึ่งที่ค่ายปีกาโอบมาตามลําคลองทั้งสองฝั่งยวนตั้งค่ายเหยียงกันเป็นฟันปลามีหอรถป้อมสูงค่ายละสี่ป้อม แล้วได้เห็นกองทัพยวนหนุนหลังเดินมาหลังค่ายยังไม่ถึงที่ตั้งค่ายนั้นเป็นอันมากเมื่อเห็นกองทัพยวนยกเพิ่มเติมมามากดังนั้นครั้นจะอยู่คอยดูตรวจรีพลกำหนดมาว่ามากน้อยเท่าใดก็อยู่ไม่ได้ด้วยเกรงว่ายวนจะยกมาใกล้จะจับไปไต่ถามข้อราชการก็จะเสียทีแก่ยวนจึงลาถอยกลับมาตามทางบุกพวกขมิผู้นาทางนั้น พาเดินลัดป่าตัดทางมาถึงที่ตาบลกลางป่าขมรเรียกชื่อที่ป่านั้นว่าไพรชองขะขีแปลเป็นภาษาไทยว่าป่าดงไม้ตะเคียนเป็นทางเปรียวของราชเวนไทยได้พบกองทัพรามันที่พระยาเกียรติพระยารามคุมไปถึงที่กลางดงตะเคียนนั้นได้ขี้แจงการงานที่เห็นมานั้นให้กองรามันทราบทุกประการแล้วก็กลับมาถึงปลายดงตะเคียนจะออกป่าและทุ่งใหญ่ ได้เห็นขมิยกทัพมามากเสียงลูกพรวนที่ผูกคอมาดังสนั่นกล้องไปทั้งทุ่งพวกขมิที่นำทางในกองตระเวณ น, นั้นตกใจกลัวสำคัญว่าเป็นทัพขมิพวกยวนยกมาสังกัดหลังตีกองตระเวณจะจัดไปไต่ถามกิจการพวกขมิที่นำทางนั้นก็พากันหลบลีหนีไปซ่อนตัวเสียในป่าหมดหลวงโยธาสงครามหลวงยุทธกัมหงสงครามเห็นดังนั้นขันจะตั้งต่อสู้ก็ไม่ได้ เพราะมีคนน้อยขันจะหนีก็ไม่รู้จักทางเพราะผู้นำทางก็หนีเสียหมดเป็นการจวนตัวจึงสั่งให้ทหารบรรจุมือข้าศิลาครบมือกันแล้วจึงเข้าไปแอบซุ่มอยู่ในป่ารกพอกำบังกายได้หมดขันกองทัพเขมร น, นั้นมาถึงจึงเห็นตัวพระเพชรักษ์วางหน้าที่ขี่ม้าคุมทัพเขมรมาก็เข้าใจว่าเป็นขเขมรในกองทัพไทยจึงได้ออกมาจากที่ซุ่ม เข้าไปหาพระเพชรัตแต่ครั้งนั้นกองราตรเวนไทยหกสิบคนแต่งกายเป็นอย่างยวนเพื่อจะให้มีอำนาจที่ไปในเขตแดนยวนนั้นขั้นกองทัพเขมรที่พระยาเพ ช, ชรัตคุ้มไปได้เห็นดังนั้นแล้วทาหารเขมรกองหน้ามิได้รอฟังคำสั่งพระยาเพ ช, ชรัตนายทัพใหญ่ไม่เขมรเห็นกองประเวนไทยสำคัญว่ายวนมาสอดแนมในป่าจึงนาปืนยิงไปตบหนึ่งถูกไทร กองประเวทต็อสำคัญว่าขเมนพวกยวนมายิงไทยไทยก็นำปืนยิงไปบ้างถูกขเมศตายลงยี่สิบคนนายทัพไทยทั้งสองฝ่ายจะห้าปรามเท่าไรก็ไม่หยุดเพราะกำลังตื่นตกใจทั้งสองฝ่ายด้วยกันดังนั้นจึงเกิดฆ่าฟันขึ้นมากมายไปพวกไทยน้อยตัวก็จริงแต่ได้กอไผ่และต้นไม้ใหญ่ในดงริมดงบังกระสุนปืนและเป็นที่มั่นต่อสู้ได้แข็งแรงยิ่งนักพวกขมศที่อยู่แจ้ง นอกป่าขอบทุ่งกลางมาจึงถูกกระสุนปืนภัยตายมากนายทักไทยจะออกไปบอกกันให้รู้เหตุว่าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่ได้เพราะทหารไทยกับทหารขมรกกำลังสู้รบกันอยู่เพราะฉะนั้นหลวงโยธาสงครามกับหลวงยุทธกัมเหนสงครามจึงคิดว่าถ้าเขินสู้กันอยู่ดังนั้นเห็นพวกไทยเราจะตายหมดเพราะน้อยตัวอีกประเดี๋ยวขมรก็จะนาทัพมา มาไล่ล้อมฆ่าพวกเราตายหมดราชการของนายก็จะเสียลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายคิดดังนั้นแล้วจึงสั่งให้ให้พลถอดเสื้อกางเกงเครื่องแต่งกายอย่างยวนออกเสียหมดแล้วจึงคุมไพร่พ ล, ลให้ออกไปที่กลางทุ่งเพื่อจะสแสดงก่ายว่าเป็นไทยพวกเดียวกันไม่ใช่ยวนเพราะฉะนั้นพวกขมินเห็นว่าเป็นไทยไม่ใช่ยวนแล้วจึงได้หยุดการรบกันแต่เช่นนั้นก็ตายด้วยกันทั้งสองฝ่าย ขมิญมีไถ่พล500คนตาย28คนไทยกองราชเวนมีไถ่พล60คนตาย8คนเมื่อพระยาเพชรรัตน์พบกับหลวงโยธาสงครามแล้วจึงเล่าความให้กันฟังแต่ต้นจนปลายสิ้นแล้วต่างคนก็ต่างไปราชการแห่งตนไม่ได้โกรธอาฆาตกันเพราะไม่ได้แกล้งรบกันแล้วพระยาเพชรรัตน์พระวิชิตสงครามฆ่าหลวงในพระราชวังบรวร กำกับทักษเมนห้าร้อยคนและพระชัยสงครามขเมรนเมืองพนมเปนที่เป็นนายทักษเมรนมาด้วยพร้อมกันทั้งสามคนเข้าชื่อกันทำหนังสือบอกสารภาพรับผิดฝ่ายให้หลวงโยธาสงครามมาให้เจ้าพระยาบดินเดชาฉบับหนึ่งหมายเหตุจากเหตุการณ์ความเข้าใจผิดของกองทัพไทยในครั้งนี้ถูกกับคำโบราณว่าไว้สองข้อคือ ตื่นช้างตื่นมาปราบปรามไว้หยุดตื่นผู้คนห้ามไว้ไม่หยุดกับอีกข้อหนึ่งว่ากล้าอะไรจะกล้าเท่าที่ไม่รู้ไม่มีแล้วกลัวอะไรจะกลัวเท่าที่รู้แล้วไม่มีเลยเหมือนไทยกองตระเวนลบกับขมรพวกไทยที่ให้ไปปราบค่าศึกยวนนั้นรบกันครั้งนี้เหมือนกันอานามสยามยุทภาคที่สอง ตอนที่แปดความเข้าใจผิดของกองทัพไทยกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป